พระธรรมเทสนาจาดกเรื่องสังสินธนูใจผูกติสี่ <c oughs> เรียบเรียงโดยอินสมชัยชมพูป ร, รียธรรมฮกประโย ก, กทักษมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงหายมาโมตสัพพ า, าะกะวัตตวรรโตสมมาสัมพปตสัธธา อีตานิปัญจาลานากาเรปาวติงปาวคามิติสาทาวูดราสปุริตาตั้งายตั้งยิ่งใจมวลหมู่อันนั่งอยู่นำนา ทีนี่จากวันน า, น า, นาจะเล่าถึงเมืองเก่าปัญจาละนากรพระพุทนกุศลราชตั้งภาษาเสวุยสี <c oughs> กับเทวียอดจอยงามจื่นจ้อยสุวรรณนาปภาฝูงพระเจ้าไผ่ไตบ่อรอนไม่เจอ ย, ยาน อยู่สำราญพ่องแผ้วดังกล่าวแล้วแต่หนหลังอเทกะตีว่าสั่งเต่ามีในวันดึงเหล่ายัางมีญาเทาเศรษฐีผัวบ่มีเป็นไม้อยู่ติใต้เวียงใจมีใส่ใจลูกเต่างามบ่เศร้าเจ็ดนิ่งรูปเป่าปิงสะอาด วันนาวีลาดเปิงเปาพงเป็นสาวขึ้นใหญ่เปิ้นลือไข่แด่นไก่สะลีดองไวน้องลางามเหลือกว่าพี่ตั้งลาย <c oughs> มีจือหมายบอกไว้ว่านางหนอไทยปตุมมาดังเตวาดาอยู่ห้องคงเขตต้องนันตะวัน ลงสวรรค์ที่อยู่ลงมาสู่ปทวิญาเศรษฐีผู้แม่รำเปิงแผ่ไปไหนว่าลูกใสใจเจตนอดังดอกจอริมตางบ่าอาจขวางไว้ได้แม่นคุณใหญ่และเศรษฐีตั้งกะบ่ดีป่อ ก, กะมาหันหน้ายิงเรา เตียงขอเมื่อไหวเป็นลูกไปเบี้ยแปงเม่นกู้แข่งบ่อปล่อยยังลูกน้อยเจ็ดสี่กำเบนกำมีหลายแหล่เตียงเกิดแผตัยมาควรทวายที่ด้านอน่าแก่เต้าเจ้าห่อใจ กันเกิดใจดังดีแล้วก่อปาลูกแก่เจ็ดนางขึ้นสู่พังภาษาดแห่งกุศล ร, ราชา <c oughs> แล้วถ้าไหยที่ด้านเนาแก่เต้าเจา้าหอคคำก็มีหันและนาอันว่าผาญกุศลราชยาสะอาดฤาษีก่อฮือเจ็ดกันยาปีน้องอยู่ในห้องหอใจ กับสายใจูเก้าคือนดังดอดเดาสุวรรณดาประพาแล้วฮือเร่งดาเสีอพา <c oughs> ตั้งเกืองง่าอลาัางการเงินคำค้านหลายสิ่งแก้วแวนนิ่งหลายอันมายนื่นปั่นบ่จ้าฮือแก่ยาเสร็จทีก็มีฮันแลยนา โสราจันว so ่าภาญกุศราตนเป็นเจ้ากับหนอเนาเทวิสะเวยปุรีใไนกวางเป็นเจ้าจ้างนั่งห่อใจโจนบานไพต่างดาวบ่อหัดเท้ามาเบียนสัปะเกียนร่อนไม้บ่อมาไก่พารา ฝวงโรกาพญาดบ่มาปาดสันดานเต ว, วันพระผููบานยศใหญ่ยังโศกไม่เครื่องขีถึงพากีนี้น้องลางามเงือนฟ้าสุนันตาอัญญคายากเจ้าอุ้มเอากว่านีหายจากว่าตายหรืออยู่บ่ อ, อาจรูปไปได้ยินเจ็บใจบ่ขาเต้าที่ราผู้บาน จิงอาทิธานน้อมไว้ซึ่งเตปาไทยอินตาตั้งเตวาดาจูห้องถึงเตต้องมหาภพตั้งผ้ายานยมหาท้าตั้งสีเต้าทารงกุลกันว่าบุญแห่งข้าบ่ตําจ้ า, า, าไก่กาไก่กาตำมาจาดแล้วเป็นปารมีแกวเจียงคานคือได้หือตานเขาน้ำบัตถุพัมปัจจัย รักษาสินใสสะอาดบ่อปุตขาดส่วนหายคอลูกใจผู้ผ่าเสดริตที่เลิศเหลือคนอาจภาจนรบภาพยังยักบาปปารามีเตจายดใหญ่ภาพได้ไข้่ทรณี <c oughs> จุงเกิดมีอยากจ้าฮือหมอนคาหันตั้นแด่เตอ ว่าพาญากุศราชอภิวาตวันตาสึงเตวาดาใจใจาขอลูกแกน่นไทยตั้งวันก็มีฮันและนาตาสบิ่งคาเนในคานานั้นเหล่าย้อนบุญเก่าเดิมอ้อนแห่งผู้ทอนกุศราชบ่อเสียงขาดไก่กา อินตาเจ้าฟ้าสะเวยแหลงลาสองสวรรค์เล่งหันเก้าเหตุรู้แจ้งเจดอธิษฐานแห่งพระผู้บ้านยตดเจ้านั่งแต่นเต้าปัญจ ล, ะละนากรใจอวรนคำเจ้าใครใดลูกเต้าบุญมี <c oughs> ถ้ารงริที่อาจกาแปรยักป่าดงตันกันขุนสวรรค์หูแล้วอันจะคือลูกแก้วสายใจจริงเล่งไปตัวห้องคงเขตต้องเบื้องบนกอหันเตวาบุตรตนองอาจอยู่ผาสาตุสิดา กับนอปุทธานยศญ่ดาจะไกดับหันกันเล้งหันแจงแล้วเต้าตนแก้วอินตาจิงดีลาบอจ้าจ้าฟนาเบื้องบนขึ้นสู่หุนแห่งห้องคงเขตต้องตูสีดาแล้วเข้าไปหาตีไก แต่ป่าไทยบุญนำแล้วไข่กำโอกาสโดยถ้อยวาดปิญาวาพ้นโตมาริสาุราเจ้าผู้หาตุกบ่ได้บัดนี้เต่าไทยปัญจลนกคอนใจอาวอนคำเจ้าไข่ได้ลูกเต่าบุญมี ทรงฤทธิเรื่องราบอาจแป่ภาพสัตว์ทูขอตนบุญจูตั้งกูลงไปสู่เมืองคน <c oughs> เอาปาฏิสนกำเนิดในต้องนางผู้พาเสดเตวีแถมป่าเรามีจะาใจเอหือไกแกนิรปานแดดเตอ ตีน่นันเทวบุตนอง์อาจฟังโอกาสอินตากอรับปฏิญญาบอกจ่าว่าส่องผู้คาจากไปดังกำไขโอกาสบอกืหอขาดสัญญาคุณอินตารู้แล้วใจพองแผวยินดีกอลานี้เมื่อสู่ ยังที่อยู่แห่งตนในเวใจยนต์ภาษาตีห้องราตาวะติงสาก็มีหันและนะตาตาในกาลนั้นไ่เตวบุตรใหญ่สององค์ก่อเสด็จลงบ่อจาจากจันฝ่าไปบน เอาปิสนกำเนิดในต้องนางผู้พาเสดบุญมีอันเป็นเตวีร่วมค้างแห่งเจ้าจังขุสราชราชจารพนอปุถะที่ราชเป็นลูกนางนาฏปตุมาอันเป็นจาญญาสุดสร้อยงามจื่จ้จอยเหลือคน ส่วนเตวาบุตตนบุญใหญ่เป็นลูกนางนอไทยสุวรรณนาประพานเป็นจาญาเบี้เก้าวผิวบ่อเศราวันไวัย่าตาแะลมีในกาละเมื่อใดดังอันตาตาในกาละนั้นนางเจ่องจันปตุมา องใส่ญนา้ามาัมอยในผาสาัดซอยใส่สีในร้อยทีดารุงนางเต้าคุงปั่นหันว่าพระจันทร์อยู่ฝ้าลอยหลอดฟ้าลงมาที่ผางกาภาสาดแห่งนางนาฏบุญมีรัศมีสองตอง ตัวแห่งห้องเวียงใจคนไก่ไก่หนุ่มเทาไหลหลังเข้ามาจูบีระหูตัวใหญ่พดขึ้นไก่ซับปันไหลอมจันทวัยว่องทั่วเขตทองบัวดำคนหนาหนำใหญ่น้อยป้ากันต่อยบุปตี ราหูนีบอจาลบหลีกนาไปไว้พระจันใสดังเก่านังนอนเนาปีญญาอุ้มเอามาหอบไปในตีไก่จอกนอนสลีบังอ่อนจมื่นดวดสะดุ้งตื่นมื่นตานังสังกาบ่ด้อย บอกเกาทอยกำได้บอบอกภัยสักผู้เต่าดักอยู่คนเดียวก็มีฮั่นและนาตาต่อปารังเบื้องนาแต่นั้นเจ้าเจียงจันเตวีแห่งภูมิกุศราสคือนางนาสุวรรณนาปภา จอมจะญาหมิงเก้ากับโลกญาเทาเศรษฐีเจตนารีจีนจอยน้องสุดสอยชื่อปตุมมาผ <c oughs> ู้โสภางามอาจวันณาวิลาใสสีกกับพามีจูภูพร้อมน่าอยู่ห่อใจ ฝูงนางในกล่อมใจวังแวดไกเป็นปริวานสุขสำราญคำเจ้าบ่อโศกเศร้าเครื่องกาสิบเดือนมาครบร้อยวันโจกใหญ่ยามดีนางเตวีแม่เก้าก่อพระสวดลูกเต้าบุตตามีลักขานาดูลากพอแต่หากควรอาม เป็นราชาสีงามจะจนคนเกียงอ่อนเปิงแป้งดังคำแดงลูกไลลลุกเล่นใดสับปันคนลือกันซาซาวนั้นตัวดาวปุรีส่วนเทวีสุดจ้อยก็ได้ลูกน้อยเป็นายรูปกิ้งไผ่ผาเสด็คของติบเกิดมาปันอัศจรรย์แต่ใส่คือธนูใหญ่กวรอาม กับดาบงามเลิศแล้วเป็นดาบดามแก้วสักลีกันใจคมเข่าใสว่าวาดเกิดพ่อบาทกุมารพระผู้บานป่อเต้าใจจืดเย้านักหนามีปีญารักมากบา่หือภาคลาหนีส่วนเทวีกว่านั่นหกเจีองจันโซภา ก้อรสุตบุตตาลูกน้อยงามอ่อนอ้อยเป็นใจรูปคิงไผยจูฟูพร้อมน่าอยู่หอกคำก็มีฮั่นและนา <c oughs> อันว่าพระาตนพ่อก็ใส่ชื่อหนอบุตตาแห่งนางสุวรรณ น, นปาปรภาแม่เก่าวาสุวรรณนาสิงหราชเจ้าสมนาม เหตุคนงามเรื่องเรือพอตุกเหมอต่อตาดังคำขาดลอเบ้าบ่หมนเศร้าเสียสีส่วนลูกเตวีสุดซอย <c oughs> เนื้ออ่อนอ้อยข่าวใส จ, จื้อสินธนุใจย่าราศเหตุองค์อาจกวนอามองค์กะงามลำเลิดของติปเกิดเตียมตน ส่วนโลกงหกคนฝูงอื่นเต้าก็ยืน น, น้ำปั่นสมไัยมันครอบไข่บ่อเวียนไห้สักคนก็มีฮันและนะ่นาเมื่อกุ ม, มารวนหมรูรกาโอกรรคนรูหกโยนวิ่งเต้นแอวลาเล่นไปมาในผังกาภาษาเจ้าสิงหาราศคนคำ ก่อรัว ก, กำกาวตาบ่อหอนยานคนใดล่าสอดไปจูห้องพับเขตต้องพังกาพระปิตาตนป่อขึ้นใจต่อไปลุ่นว่ากันบุญกูขาดมาราณะาตายไปจักเป็นภัยลูกเตา ควรเป็นเจ้าแตนเมืองเตจเรื่องตัวดาวตุกเท้าปู่จ้าควรทมโหราผูเทว์หูเก่าแนวใหญ่กันก็ใจดังนี้แล้วเต้าตนแก้วกุศลชราชา ก็ใครขีญยาบอกเราแก่หน่อเนาเตวีแปดนางมีพ่อหมูฮือได้รู้จูคนคนก็มีฮันแลนาอาธาในกาละนันใสดังหน่อไทยเตวีหกนางมีใจเศร้าคือปีนังหน่อเนาปตุมมา เ ข, ข า, าวปั้ากากอเจ้าฟอะโมูหกนางว่าสิีิกิงบางน้องซอยมีลูกน้อยเป็นใจกาญญาภาัยลำเลิดของติบเกิดเตียมมาเตียงบุญดาแต่เราจากักใดเป็นเจ้าแต่เมืองเราจะเคืองายแล โตกเตียงแผ่มาปานจักมองผ่านโศกเศร้าตั้งลูกเตาหกใจกวนอุบายแต่งสร้างรีบผ่ามังเดียวปันเ <c oughs> ขาปึกษากันตั้งหมูก่ก่อเกิดหูอุบายจริงคนควายบ่จาด่ า, ดาเสือ้อผ้าเงินคำของหน้านำก่ามากนับแต่หากเปอร์น มีตั้งแวนแลน่วยแก้วดาแต่งแล้วตั้นใจแล้วเรียกดังในข้าใจมาหนังไก้กองตาใครขี้ยาบอกเราคือรูเ ก, ก้าตามีว่าดุราตาสีผู้แกวนจุงจักเล่นไปปัน่น <c oughs> เอาของรางวัลมวนหมไปปันปูโหาราไขขี้ยาบอกเต่าฮื้อหมอเท่าตามรายแล้วพันภายมาสู่ยังติอยู่เร็วไว้ส่วนดังในขาใจก่อน้อมใบเร็วปันเอาของรางวัลมวนหมูรีไปสู่เกหา แห่งโหราฟุทธาอันเป็นเก้าโหราจาร์แล้วไขการบอกเล่าว่าข่าแด่พ่อท่าโหรา <c oughs> บัดนี้ญาญต้ตนเป็นเจ้ายศตัวเต้าปุรีจะคือหมอดีวิเศษจบแจ้งเปตตั้งตาย ไปตํำน้อยลูกเต่าตามเงินเก้ากําพีการคนใดดีกว่าหมูจักเยื่ออยู่แตนเมืองแ่นบุญเรื่องเต่าไทยอาจยาใสตกมาจุงทุนสาเต่าเจ้าว่าจำลูกเต่าเตวีฮุกนางมีพี่น้องกวนอยู่ห้องแตนเมือง จากรุงเรืองไปนาบ่อตำจ้าสามานันนาการนีเล่าฮกแม่เจ้าเทวิตกแต่งดีผ่อมนาเ <c oughs> ฮือตัวขานำมาถาวายปู่เจ้าพ่อเท่าเฮือเป็นเก้าขันคำแม่นสมคำไฟอ้างบ่อริดมั่งยังกุณ ฝันนาการนุ่นมากเต้าจักลังเขามาปันนืฮอได้หันต่อหน้าบ่ืฮอจะเร็วไวตันลงในกก่าแล้วก็เอาแก้วและคำแดงของกะแป้งลายแล่ ยืนปันแก่โหราแล้วออขึ้นมารีพาวน้อมใบก่าตามมีแก่เตวีบาปไปฮือหูไข่หกนางก็มีหันและนาอุณาตวาเสดในวันลุนรุงเจ้าเต้าเป็นเจ้ากุศลาราชาก็เฮือโหราหนมเทา มาดังเฝ้าเป็นปริวานแล้วมีราชาองค์การตานกล่าวว่าดุราเท่าเท่าโหราเรานี่มาเกิดขวาดไข้ฮือโอรสราสายใจเต้นเวียงใจใหญ่กว้างเป็นเจ้าจังปลายลุน สูจุงคุณหันพอฮือแจ้งต่อสายตาตามตำร้าแต่เก้าแม่นดูกเต้าคนได้จติในาปางก่อนบุญบ่พนยังมีสมปานดีกว่ามูจะคืออยู่แตนเมืองและนาตาตาในากาละนันอันว่าโหราจานผู้เท่า <c oughs> อันเป็นเก้าวกว่าหมอต้ายบ่อรู้อายต่อ บ, บาปหันแกลาบเงินคำบอก ว, กว่ากำบาปร้จักตอบทายไปลุนหนต่างบุญลาเวนเตียวเข้าเาส้นต่างดำมันรีบกำเอาแปนนั่งเอ็นเอินเอาเจิงทาริร่ำปิงขีดแตม ลงเหล็กแอมเป็นสายเทาฝีพายหูแล้วว่าเจ้าหนอแก้วสายใจคือสินธนุใจญาติลูกนางนาฏปตุมมา <c oughs> มีบุญนาใหญ่กว้างไัยบ่ออ้างเตรียมตั้นมันเล่งหันที่แจ้งธริแสงมายา เจ็ดน้ำตาบีให้ตุกร้อนไม่เลือการบ่อทุนสันกาวทอยเนยนาต่ำก้อยเครื่องขีส่วนภูมิเต้าเจ้าหันปู่เทาโหราบ่อไข่จาต้านกาวตนตันเต้าจริงพุทธชาวาดุรา โอราผู้ใหญ่ตั้นโศกไปสั่งเจ้าสั่งบอจาก่าวหือเรารู้เดวัยเท่าจังไรน้อมใบว่าข้าแดดเต้าไทยเนลือหัวอันว่าตัวแห่งข้าทุกโศกาเหลือใจกึศหญ้าไข่กำก่าว เ อ, อตันเต้าตามีเจ้าปุรีกุศราชฟังถอยวาดกำจาแห่งโหราผู้เทาติ่งตันเล่ากำไปว่าเป็นสันไดใครรู้จงเกาอูมาปันกันต้านหันที่แจ้งตามเก้าแห่งกำพีแม่นหันดีผะเสด เรื่อยเกิดอุนตาไเราบ่อมมยใส่ตอดบ่อเขี้ยวโคตรโกดท้าจุงเกาวมาอย่าจ้าเราเจ้าฟ้าดาฟังเละนะถิ่นทันโหราจาันผู้เท่าใจกำเร้าสามานก่อทุนสานน้อมใบว่าคาแด่เต้าไทายบุญมี อันว่าเตวีตั้งแปดอยู่วังแวดภายในมีผิวใสบ่อเศร้าคือแม่เก้าสุวรรณประภา <c oughs> ลำดับมาบอ่อขาดถึงนางนาสุดปายรวบกิ้งพายใจน้อยคือนังยอดซอยปตุมมา มีบุตรตาจูฟูลาเล่นโย่ใจบ้านมีสมปานสูงต่ำบอ่อพ้อมพัมเพียงกันนังสลีสุพันแม่เก่ามีลูกเต่าเป็นสิงหาตีปิ้งบ่ได้กันันใหญ่ไปลุ่นบ่หูกุณสักอยากใจเฮาหาดมาวิน จะคอบกินป่อแม่บ่อเว้นแวบคนได้ตั้งภายใต้น้อยใหญ่มันจักไหลราวีโขงปุรีใหญ่กว้างจักเป่าวังเสียได้คนญิงใจจูผู้เตียงเข้าสู่โมระนาเหตุบุตตาแม่เข้าใจกรรเศร้าหมวบนซัดนาคนมาเกิดบ่อผาเสดตั้งใด ตัวนางใส่ใจสุดซอยมีลูกน้อยใจร่ า, รามคือทนุ ง, งามกับดาบเลื่อมมามา บ, าบตอตากำออกมาจากต้องยอมจี่จองหาหนีการจากักตีไปนาตนเจ้าฟ้ายาผารุมดาบอันคมบาวาจักมาฟาตัดฟัน เ่อได้หันที่แจ้งบอใจแสงไขาจาจุมพาจาภัยไตยจักร้อนไม่เครื่องใจเสนาในาอามา์จักก้อยกาดเมื่อมอนส่วนผู้ทอนเต่าเจ้าเตียงใดเข้ามาราณาส่วนบุตตานอนเ่าหกแม่เจ้าเทวีภูมีสลีวิลาตปีนังนาฏปตุมมา มีบุญนาจูปูแม่นได้อยู่แต่นเมืองจักรุงเรืองสาราบเดชเจ้าภาพจุมปูหมูสัตถูบอกไกลจุมไผ่ไตเจ ย, ยบาลโซกสามรานบอกขาตั้งอามาตและเสนาหอนบุตรตา่อนเนาสมปานเก่ามีหลายและนะา อางสุดตว่าพญากุศราดฟังโอกาสหมอดตายตุกใจลายเดือแหล่ร่อนไร้แผ่ไปในหักสุดใจขนาดย่างสิงหาราชบุตรตาโลกสุวรรณปป่ า, าแบกเก้างามบ่เศร้ า, า ว, วันไว้กับสินธนุใจหน่อย โลกแม่ซ้อยปตุมมะมอโหระป้อยก่าวฮือรู้ข่าวหานีเตียงจักมีเป็นแกนถูกตัดแม่นตามราย <c oughs> มันเกยต้อยดวงแล้วยังนางน่องแก้วสุว น, นันตาว่าจักมีไัยยญามาตองในแห่งห้องสันดาน คือยากมานบาบจ้ามาแต่ป่าดงไพเอาใส่ใจน้องลาปัดผักนาหายตามอโหรากาวขี้บ่อพิตีตั้งใดตามมีในดวงเล้วบ่อกาดแกอเสียคำเจ้าหอคำยศใหญ่ทุกเอาไม่ท่านัดใจจริงจักไขกาวถอยสึงเท่าถอยโหรา ว่าเมนบุตตาแม่เก่าแล่ลูกนัง่อเนาสุดปายจักเกิดกายเป็นโตตุบอุบาทหดปลาลุนยะฮือขุนและไฟร่อนเดือดไม่นานาดังโหระก่าแกหากแม่นแต่ตามกำเราจะกะตั้มดังหรือเล่าเปือฮอข้อเป่าสูญหายฮืออันตรายก่อยกาดฮืออุบาทดับสูญหน้จ้า ทีนั่นโหราชา์ผู้ใหญ่ใจกใําไมอาธรรมย่อมือตําใส่เก่าไว้สึ่งเจ้าราชาว่าแม่นมหาราชาเจ้าต้นเป็นปินเก่าปุรีไข่อยู่ดีไปนาหือภายฟ้าใจบ้านสุขสําราญเตียงเต้าจุงเอ้าลูกเต้าสองขา <c oughs> ไปไปล่อยดงนาป่าไม้ไผ่หญ้าไตั้งลายเตียงจักหายเสียงขาดบ่มาปาดอินทีโขงปุรีใหญ่กว้างไผบ่ออ้างเครื่องกาแม่นหักบุตรตาสองนอบ่กึดพอหันไก่ฮืออยู่ในภาศาสบ่อฮือขาดขึ้นวันเตียงจักหันไปนาเป็นดังคาทุนสาบ่ยาจะลนา สุราจาอันว่าพญากุศราาสังโอกาสหมอตตายร้อนใจลายกว่าเก่าคกิดขันิงเล่าไปมาว่าแม่นหักบุตรตาหนอไทยจักเครื่องไม่ตั้งเมืองกำแกนเครื่องหลายแหลจักเกิดแก่ปารา แม่นเอาบุตรตาดอดน้อยไปละปล่อยดวงไยกำตุกใจโศกไม่ย่อมเกิดไกลตุนกูปุอิยนตุโบแลอยังสองนอแก้วสายตากูเป็นพรยาเสวยราชกวนทีอามาตคนในตังภายใต้จู่ผู้ใดสุขอยู่เจอย่านคนสําราญตัวห้อง โค้งเขต้องปุรีหากเป็นประเวนีแต่ก่อนเช่นปูมอนเดอร์มอนเม่นเจ้านากอนร้อนไม่กูจักอยู่ได้สันใด <c oughs> ลูกสายใจที่รา จ, จา ก, ก้อยกาดไก่ก า, กา่อนเวนมาไหลตอนบอ่อจ่างซ่อนลบนีวิบากมีไหลสน <c oughs> จักหลวกปนตั้งใดเต้ากิดใจดังดีแล้วก็ฮืออามาดแก้วต่างตานำอจญยาแห่งเต้าไปบอกเก่าคนหันตั้งใดนักการพวกน้อยนับอ่านร้อยเร็วปันฮือเอากันตั้งหมู่เข้าไปสู่หอขวางเอาลูกนางแม่เก้าคือสิ่งหราดเจ้าบุญมี ก็ปลวกเตวีแม่ส้อยคือเจ้านอนน้อยสินธนุใจไปปล่อยดวงพรายป่าไม้ย่าเอได้ขึ้นม า, ามาต่างตาพกวกแก่นลูกแล้วเล่นไปไว้แล้วก็ไข่กาวถอยแก่พวกน้อยเร็วปั้นกอมีหันแลลนาะ นั่นจุมคนห่านพวกน้อยเล่นเป็นทอยเร็วไวขึ้นหอใจภาษาทแห่งนางนาุวันราประพาภูมิลักคนาบ่อเศร้าอันเป็นแม่กเก้าเตวีและชมสรีสุดซอยคือนางนาตน้อยปตุมมาขาบทุนสาไวเก่าตำอาจญาเต้าปงวางก็มีวันนั้นและนา เนธิตังขีญาสังวันนาวิเศษจาห้องเหตสังสินธนุใจผูกทวนสีกบังคมสมเร็ตเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแล